หลวงพ่อเคยพูดไว้อยู่เสมอว่าขนาดบวชฟักบวดแฟงบวชกลวยน้ำว้าเขายังเตรียมกระทะยังเตรียมเต่ายังเตรียมกะทิเตรียมน้ําตรงน้ําตาลทับพงทับพีกระทะเขายังเตรียมหลายหลายอย่างพวกเราจะบวชพระทั้งคนจะปุรปปับมาจะจัมาบวชเลยบวชเข้ามาแล้วก็อย่างนั้นแหละไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมความพร้อมบวชเข้ามาแ ล, ล้วโคโลโคโซเท่ ไม่รู้จักหลักพระธรรมวินัยเพราะนั้นพวกเราก็ไม่ควรจะให้เป็นอย่างนั้นก่อนที่จะเข้ามาบวชเราก็ต้องทําความเข้าใจซะก่อนแล้วแต่พ่อขันก็ให้ถูกตามหลักธรรมวินัยที่พระพุทธจเจ้าวางเอาไว้อันนี้คื อ, คอเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์จะต้องดูแลช่วยกันสําหรับครวญญาโด่งก็เป็นกองหลังสนับสนุนเมื่อพระสงฆ์เข้ามาบวชแล้วปฏิบัติตนอย่างไงทําตนอย่างไง ท่าจะว่าไปได้ดีไหมหลวงพ่อว่า ด, ดีมากเพราะเหตุอะไรหลวงพว่า ด, ดีมากเพราะบวชถ้าตั้งใจบวชจริงบวชทั้งกายบวชทั้งวาจาบวชทั้งใจการบวชเข้ามาจะได้รู้เรื่องของตัวเองว่าเป็นยังไงจะต้องได้ศึกษาจะต้องได้ปฏิบัติจะต้องได้รับการอบรมฟังธรรมเทศนาครูบาอาจารย์ได้เห็นได้ฟังจากนั้นก็ได้คิด อยางน้อยก็ได้นําไปประพฤติปฏิบัติทำผู้มีอุปนิสัยนะถ้าผู้ไม่มีอุปนิสัยก็อย่างว่านั่ะไปที่ไหนคือสื่อบือ้อเพราะมันอยู่ที่ไหนมันก็มันก็เสือ่อยู่แล้วไปทางหน้าก็เสื่ออยู่ก็เสื่อไปก็เสื่อเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้คิดได้อ่านอันนั้นมันก็อย่างว่ามันก็ต้องมีอยู่ในโลกเนะี่ยแต่ที่ยังไงก็คิดว่า ผู้ที่เข้ามาศึกษาผู้ที่จะเข้ามาบวชอย่างนี้ก็คงจะเป็นผู้ตั้งใจคงจะได้รับการศึกษาสรุปก็คือเป็นทายาทของพวกเราต่อไปภายภาคหน้านะั่นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดเราจะถือว่าเราเป็นผู้เก่งกล้าสามารถคนเดียวไม่ใช่เราต้องอาศัยสืบทอดกันไปเรื่อยๆ 2,551 ปีมาเนี่ย เรานึกดูซิตายไปกี่คนแล้วตายไปกี่ยุคละมาถึงยุคของเราเราจะตายไม่เป็นอย่างนั้นเหรอเราก็ต้องตายเป็นเหมือนกันแต่ทีงงไงเราก็หน้าที่ของเรามาถึงจุดนี้เราก็พยายามทำดีที่สุดเราได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์มีสาระควรจะรักษาเอาไว้เราคิดว่าเราได้มาพบเราก็นับว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีบุญ ได้ปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพุท ธ, ธะจากนั้นเราก็ปฏิบัติตนให้ดีที่สุดจากนั้นก็สืบทอดออกไปต่อไปภายภาคหน้าถ้าคนมีคุณธรรมในจิตในใจมีศีลธรรมในจิตใจแล้วมีศีลธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขแต่ว่ายึดแต่ทางโลกโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะมีตะกิเลดภายในจิตในใจคนนั้นกระดุนหนึ่งคนที่กระหลายดุ่น สมเผากันคนนี่ก็มีกิเลสราคาโทสะโมหะคนนั้นก็มีจากคนก็ต่างเอากิเลสมาเผากันเน่ <c oughs> เดือดร้อนพุนวายอย่างที่พวกเรารู้เห็นอยู่ทุกวันนี่นะมันก็คงจะหาที่จบที่สิ้นลงได้ยากเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะว่ามันยากถ้าหาว่าไม่ค้นเข้ามาหาตนต่อคือจิตใจ ทุกคนค้นเข้ามาหาตนต่อจิตใจของตัวเองแนละ้วตัวเองทำผิดทำถูกก็ไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเราถ้าทุกคนค้นเข้ามาหาใจแล้วก็อย่างว่า น, นั่นนะแก้ไขที่ตัวของเราเองทุกอย่างก็จะสงบเรียบร้อยแต่ น, นี่มีแต่เพ่งมองไปข้างหน้ามีแต่เขาผิดเขาผิดเขาผิดอยู่งั้นตัวตัวผิดเนี่ยไม่ดูนะถางว่ามองอยู่อย่างนั้นแปลว่าเพ่งนอก เพ่งนอกดูความผิดของคนอื่นไม่ดูความผิดของตนเองไม่ดูความช่วยช้าของตนเองดูแต่ความช่วยช้าของคนอื่นมันมีทุกคนนั่นแหะกิเลสราคะโทสะโมหะมีกับทุกคนแต่ใครใข่จะกักกันกิเลสราคะโทสะโมหะของตวเองไว้ในกรอบบางคนก็ปล่อยออกทางดุนไปเผาคนอื่น ไประรานคนอื่นเดือดร้อนนะแต่บางคนก็รู้สึกทำข้อกอาไว้คือมีฮิริคือความละอายแก่ใจอดตปะคือความกลัวต่อบาปทำอย่างนั้นไม่ได่านะไม่ถูกนะถ้าเขามาทำให้แกเราเราก็เดือดร้อนนะเราก็ทุกข์ใจถ้าเราไปทำให้แกเขาล่ะใช่เราทำให้แกคนนี้แต่คนอื่นละ่ะที่อยู่ใกล้ๆละ่ะเหมือนกับเรามีระเบิดลูกหนึ่งเราจะจะฆ่านายกใช่ไหม แต่นายกอมาอยู่ในชุมชนนะเราไปโยนฆ่านายกอจะนายกอตายต่คนอื่นล่ะเป็นยังไงถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มของเขาล่ะเราไม่ได้เจตนาอะไรแต่เขามาฆ่าเขาเกลียดให้นายกอเน่ตอนเราไปอยู่ใกล้ๆนายกอเขาระเบิดมาทิ้งจะนายกล่ะเรามีความรู้สึกยังไงถ้าใจเขาใจเราต้าคิดได้อย่างนั้นนั่นแหละแปลว่าผู้นั้นมีคุณธรรมมีจริยธรรมในจิตใจ ทานโลกมีจริยธรรมมีศีลธรรมแล้วโลกทั้งโลกจะสผาสุขเยน็นจะไม่มีใครเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่จะทําอย่างนั้นได้ไหมอันนี้มันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการได้คิดถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังไม่ได้คิดเลยไม่มีอะไรใครมาเกาะเข้าหูสักคําเลย มีแต่ใครพูดขึ้นมาก็เอามันเอามันฆ่ามันตีมันป้นมันเอาชนะมันใหมีแต่คำนี้เขามากอกหูอยู่เรื่อยจิตใจมันก็หึือเขิมไปถังกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าว่ามีใครกอกของหูเอออย่ยาถึงเธอจะชนะไปกชนะเพียงแค่นั้นนหะไม่ถึงร้อยปีหรอกเดี๋ยวก็เขาก็เอาไฟเผาล่างเองมีแต่กระดูกเท่านั้นะ อจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็เถอะอีกสักปันถึงข้างหน้าเพราะนั้นเราจะไปละลานเอาแพ้เอาชนะอะไรมากมายนักหนาต่างคนต่างอยู่จะไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยถ้ามีคนกอกหูอย่างนี้เข้ามากิเลศตัวที่ว่าเอามันเอามันมันก็คงจะถอยกูดอีกเหมือนกันเออใช่หวะถึงเราเอาชนะเขาก็เพียงแค่นั้น่ะจะเอาชนะใครได้เอาชนะคนนี้ก็ยังคนนั้นออกชนะคนนั้น like ก็ยังคนนั้นมันเยอะเลยเกิน เราตายไปแล้วก็ยังเกิดขึ้นมาก็ยังเอาชนะมันไม่ได้อีกเพราะนั้นเราจะเอาชนะใครเอาชนะใจตนเองดีที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชนะใครชนะใดใครหมื่นแสนเนี่ยยังสู้ชนะใจตนเองไม่ได้เพียงครั้งเดียวนะการชนะใจคงตัวเองนั้นแหะประเสริฐเลิศ ก, กว่าการชนะสิ่งอื่นร้อยครั้งพันครั้งแต่ชนะใจตนเองนั่นแนหะเลิศประเสริฐ เอาชนะไปเรื่อยๆจนถึงชนะกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจลาบคาบเย็นสนิทไฟราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจดับสนิทนั่นล่ละชนะโดยเด็ดขาดเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระหันสาวกนะแต่นอกจากนั้นไม่ชนะใครเท่าไหร่ก็ยิ่งทวีคูณชนะคนนี้เขาก็ตั้งป้อมขึ้นมาแล้วจะสู้ล่ะ ชนะคนนั้นเขาก็ตั้งป้อมขึ้นมาจะสู้ผลที่สุดเราเป็นศัตรูเขาทั้งหมดจะย่างก้าวไปที่ไหนก็ไม่ได้ท่นีม่มีแต่ขวากมีแต่หนามเขามีแต่จะสู้กับเราทั้งหมดถ้าเราชนะใจตัวเองเราไปที่ไหนร่มเย็นมีแต่ให้มีแต่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าไปที่ไหนก็ร่มเย็นใจของเราก็สบายผู้ที่เห็นเราก็สบายใจไม่คิดว่าเราจะไปฆ่าไปป้นไปฉกไปขโมย ไปเบียดไปบงังไปคดไปโกงเขามีแต่ไปให้เขามีแต่ไปเมตตาเขามีาไปแต่มีไปคิดสงเคราะห์อนุเคราะห์เขามีแต่ไปแนะนําสั่งสอนเขาให้เป็นคนดีถ้าคิดอย่างนั้นใจใจของเราไปที่ไหนก็นโลกทั้งโลกสงบร่มเย็นเป็นสุขไปหมดแต่วันนี้โลกทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลสิสรุปแล้วก็คือขาดการได้ยินได้ฟังขาดการศึกษาธรรมะไม่มีธรรมะในจิตใจ ก็เลยทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนปนวายอย่างพวกเราททั้งหลายเห็นเนี่นะ่ะเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามนะ่ะถึงโลกจะเดือดร้อนปนวายขนาดไหนก็เถอะแต่ใจของเราเฉพาะตัวของเราอย่าให้เดือดร้อนปนวายพยายามปรับปรุงใจของตอนเองะทําใจของตอนเองถึงจะทําใจคนอื่นไม่ได้ก็ทําใจของตอนเองเอาหนะ้าข่านะข่าไปเจ้านะ่าเกิดมาแล้วกี่ปีข่าจะอยู่ไป็นานจากเท่าไรหร่ถึงข่าย จะทำยังไงจะร่ํารวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งข้าก็จะต้องทิ้งทั้งหมดนั่นแหละแต่ถึงข้าพเจ้าอยู่ในสถานะ น, นี้ข้าพเจ้าจะทําดีที่สุดจะไม่ให้เดือดร้อนตนและผู้อื่นและก็พร้อม ก, กันก็การสะแสวงหาทรัพย์ของข้าพเจ้ายศถาบรรดาศักดิ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ลดละข้าพเจ้าจะทําให้ดีที่สุดในใจของเราให้คิดไว้อย่างนั้น แต่อีกสักวันหนึ่งดีที่สุดขนาดนั้นก็เถอะข้าพระเจ้าจะต้องวางจะต้องทิ้งทั้งหมดเหมือนกับคนทั้งหลายที่ล่วงรับรับขันก่อนหน้าของพวกเราเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตย์ไม่จกกักรพรรดิไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไหรในโลกเนีเขาก็ทิ้งไปทั้งหมดเราจะเป็นผู้วิเศษจากไหนที่จะไม่ทิ้งเหมือนกับท่านเหล่านั้นถ้าเราคิดได้อย่างนั้นความผักดันว่าความร้อนอุณหภูมิ กิเลสในจิตในใจของเราคงจะลดลงนะหลวงพ่อว่านะรับพรในวันี้นะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราอีกในแนวหนึ่งเหมือนกันสัพพารโหกาวินิมุต